ว่าอย่างนนว่าขอการทำบุญทำผู้สนนี้จงเปิดปัจจัยให้ได้ทำลายอาสวะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้พระนิพพานในอนาคตการข้ามาเถิคำว่าอนาคตการของท่านเหล่านั้นก็คือพวกเราเนี่แหละเราเนี้เป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเท่านั้นหมายความว่าท่านได้ฝากจิตวิญญาณทุกส่วนออกมาในฐานะที่เป็น DNA อ็นเมาเป็นตัวเรานั้น like, ท่านเหล่านั้นก็มารวมอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดถ้าเราทำตนให้มีความสุขท่านเหล่านั้นก็สุขด้วยเราทำตนให้เป็นทุกข์ท่านเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ด้วยเราทำตนให้ไปนร al กท่านเหล่านั้นก็ลงนร al กด้วยเราทำตนให้ไปสวรรค์ท่านก็ไปด้วยเพราะนั้นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อพันปีก่อน สองสามพันปีก่อนมนถึงปัจจุบันมเมล็ดพันธุ์พืชก็ยังอยู่อย่างต้งนมนะม่วงสวนมาพรวันทุกวันก็ยังมีมะพาวอยู่มะม่วงมันก็เมล็ดสืบทอดกันมานะพัฒนาพันธุ์มาเรื่อยๆมนุษย์ก็เช่นเดียวกันในความหมายของกระผมธรรมา ก, ก็คือญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าก็ ค, คือตั้งแต่ น, นุ่นมาแหละบนรพบุรุดมาถ้าหากว่าเราได้ทําสิ่ง นิสําเร็จท่านเหล่านั้นก็เหมือนเราได้ไปถ่ายบาปให้กับญาติทั้งเราทั้งหลายเหล่านั้นด้วยให้ท่านพ้นจากทุกข์นะครับว่านร ก, กมีอบายภูมิก็ท่านเหล่านั้นก็จะพ้นไปด้วยในฐานะที่เราพาท่านพ้นเนี่ยก็มีความหมายอยู่นี่ขอให้ญาติทั้งหลายเขาจะเป็นสุขเถิดในส่วนนั้นก็คือญาติทั้งหลายของเราผู้ร่วงรับไปในส่วนที่ส่วนที่สอง สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้ก็หมายถึงในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในน่าจะวงเข้ามาในประเทศของเราในชาติตําบลหมู่บ้านของเราที่เป็นเพื่อนที่สนับสนุนให้เรามาอยู่ได้ถึงขนาดนี้เรามีการปกครองเมตีาหารตํารวจมีผู้สร้างสาทุกสิทธิ์ทุกอย่าง ซึ่งหลายอย่างที่เราทำเองมาได้เรือนชาญบ้านช่องอาหารการกินของใช้ไม่สอยทุกชิ้นเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยคนเหล่านั้นน่ะเป็นเพื่อนเราทํามาให้เราบางคนแทบจะไม่ต้องทาอะไรตลอดชีวิตแก่เพราออาศัยคนเหล่านั้นนี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บเพื่อนเหล่านั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเท่าไหร่ต้องมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ใช้สอยทั้งหลายทั้งปวงมาให้เราได้ใช้เนี่ย แล้วก็แผ่สุดกุศลให้เขาแล้วช่วงท้ายมาทิวาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถึงทุกข์ที่ถึงภยัยที่ถึงโศกขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งโศกด้วยการทุกคนทุกตนเถินอันนี้ทั้งจั ก, กรวาลเลยพลังทั้งหลายทั้งปวงที่มาเป็นตัวเราก็พลังแห่งคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นท่านท่านยังแปบายอยู่เดินเป็นทุกข์เป็นโศกเป็นโรคเป็นภัยอยู่ก็ให้พ้นเนี่ย การแผ่เมตตาดอนเกิมีความหมายอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจในความหมายอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ว่าศักดิ์วัฒนธรรมแล้ทีนี้มันก็จะทําด้วยความตั้งใจเพราะเราส่วนใหญ่ถ้าทําอะไรไปจําทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็ทําด้วยความเคยชินเราไม่ได้นึกถึงคุณค่าและความหมายที่แท้จริงดังนั้นเราทําก็ทําผ่านๆไปอย่างนั้นพอเป็นธรรมเนียมแต่ความซาบซึ้งความละเอียดอ่อนทางสติปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันกลายเป็นธรรมเนียมนะ ใน <c oughs> การกราบกันไหว้เท่าเรากลาบกันทุกวันทุกวันเราก็ทําเพราะมันเิเสร็จตามพิธีไปเราก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งในการกราบนั้นแต่พอทุกครั้งที่เราตั้งสติปัญญากราบระ ล, ลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ก็หมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่ทเคยให้สติปัญญาเคยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่พุทธเจ้าลงมาถึงครูอาจารย์เราปรัจจุบันเราก็กราบท่านเหล่านั้นทั้งหมดมันก็ทําให้เรากราบอย่างมีความ อเรียกว่าคารพบซาบซึ้งทุกครั้งที่เรากราบอันนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นคุณกุศลจิตของเราได้แต่เราทาไปด้วยความเคยชินกุศลจิตมันก็ไม่เกิดโมหะอาวิชาก็าเกิดเหมือนเดิมกราบรีโมหานะว่าทําไมคนถึงแตกต่างกันความาสงบความสุขความลึกซึ้งคทำแล้วคมทางสติ ป, ปัญญาทำไมถึงแตกต่างกัน เพราะว่าการกระทําทุกอย่างที่เราทําไปด้วยเจตนาอะไรหรือไม่มีเจตนาทําไปด้วยความเคยชินตรงนี้เองที่เราจะต้องระลึกว่าเราทำอะไรต้องไม่ให้ความเคยชินหรือวิชามันครอบงำทำด้วยความตั้งอกตั้งใจและเคารพในการกระทําทุกครั้งมันก็จะเกิดเป็นกุศลฮอพกุูนกุศลขึ้นเรื่อยๆ น, ะ น, นี้ส่วนหนึ่ง ส่วนที่อยากจะลบตอนเช้านี้อีกอย่างก็คือการสวดบทประจําวันทุกครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าสวดไปตามธรรมเนียมเหมือนกันบทไหนที่เราจะนํามาเป็นเครื่องระลึกสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็าบทนั้นมาสวดอย่างวันนี้เรานําเอาปรมกภรณ า, ามิตรขาถามมาสวดเราก็บทนั้นมาระลึกสําหรับวันนี้ว่าอ๋อเรามีกรารยนานมิตรเรามีกรารยนานสหาย เรามีกัลยาณสัมปวังกตาเราจะปฏิบัติต่อมิตรต่อสหายต่อสัมปวังกะอย่างไรนี่มันเคจะทำให้เราเกิดความตระหนักรู้ต่อสิ่งเหล่านี้โดยความไม่ประมาท ถ, ถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความหมายจุดนี้แล้วก็อยู่ด้วยความประมาทล่วงเกินซึ่งจะละกันได้เพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรถือว่าเป็นหนึ่งทีเดียวในวิชาสิบในวิชาสิบ ที่จะเอาชนะอะวิชชาได้ก็เริ่มที่กรารยนานมิตรซึ่งกรารยนานมิตรเราก็พูดกันม า, ามากแล้วล่ะแต่ว่ากรารยาณสหายนี่เราไม่เคยพูดถึงกันกรนารยานสหายหมายถึงว่าเรามาปฏิบัติร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันเนี่ยนะกรนารยานสหายหมายความว่าเราไปในทางเดียวกันปฏิบัติทางเดียวกัน ถ้าสมมติว่าเรามานั่งปฏิบัติโคุณธารเนี่ยก็ไม่ใช่การณสหายเพราะไม่สามารถจะสื่อสิ่งที่มีในใจของกันและกันได้แต่ถ้าทำํำในสิ่งเดียวกันแล้สื่อในสิ่งในใจของกันและกันได้กริยานณะสหสหสหายะการนํามาร่วมกันก็จะทําให้ร่วมทางกายทั้งอาดมการณ์ทางด้านจิตใจทางความรู้สึกอะไรต่างๆร่วมคุณธรรม วันหน้าเราไปปฏิบัติที่ไหนแล้วก็จะมีเพื่อนปฏิบัติ3มคน5คน7คน10คนที่ใจตรงกันได้แล้ว เ, เป็นกัลยาณสหายสามารถพูดกันได้ทุกเรื่องสามารถนําในสิ่งที่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งกันและกันแล้วนําออกซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลของกันและกันดรวยกัลยาณสหายนี้กัลยาณสัมปวังกตาเนี่ยท่านหมายถึงสิ่งที่แวดล้อมบุคคลแวดล้อม เราก็สิ่งแวดลอ้อมซึ่งในที่นั้นพระภูมิธรรมาก็จะมักจะหมายถึงส ป, ปายะสประการงานกิยการสัม ป, ปวังกตานะัสิ่งแวดล้อมที่ดีสประการนั่นะเป็นถ้าอาหารอาวะส ป, ปายะหารส ป, ปายะบุคละส ป, ปายะแล้วก็ธรรมส ป, ปายะเนี่ถือว่าเป็นกริยณาสัม ป, ปวังกตาถ้าได้เงื่อนไขทั้ง4อย่างนี้ในการบําเพ็ญภาวนาก็จะก้าวหน้าได้เร็ว เรามีอาวาัยศระยะสถานที่สงบสงัดไม่มีคนผู้ข่านไม่เป็นที่ผ่านของสิ่งรบกวนทั้งหลายไม่อยู่ใกล้ทางเกินไม่ไปอยู่ไม่อยู่ใกล้ท่าน้ําเกินไปไม่อยู่ใกล้ไม่อยู่ใกล้ที่จเจริญเกินไปไม่อยู่ไกลมดไกลหม้อเกิดอะไรฉุกเฉินไม่อยู่ไกลน้ําไกลไฟอะไรพวกนี้เป็นอาวาัปศระยะพอทุกอย่างพออำนวยความสะดวกได้ แล้วก็อันที่สองก็คืออาหารรับสปายะเร า, าหารวินทบาทหาได้ง่ายก็หมายถึงว่าทางวัดเราเนี่ยมีสปายะทางด้านนี้มีญาติโยมคอยดูแลจัดการให้เราจะหาอะไรก็ถูกธาตุถูกขันไม่ทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บและไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาแล้ ว, วาอาหารรับสปายะ ก็อำนวยให้เราได้ภาวนาได้ต่อเนื่องไม่วิตกกังวลว่าวันนี้จะทานอะไรจะกินอะไรจะได้จากไหนก็จะตัดปริพโคตหจุดนั้นไปตัดปริโภคตหยุดนั้นไปก็ทําให้เราได้อาหารและสัพยามาสนับสนุนการปฏิบัติได้ดีนี่ก็เป็นสัมปอรกตา <c oughs> ะมีปุคระสัพปปะยาะหมายคนว่าหมายความคนที่เข้ามาหาเราในละแวกใน บริเวณเนี้มีแต่บุคคลที่ที่สปายะคือไม่ทำไม่นำเรื่องราวแนละปัญหามาให้แก่เราไม่นำเรื่องราวเดือดร้อนวุ่นวายมาให้แก่เราไม่ก่อให้เกิด เ, เงื่อนไขอะไรต่างๆที่เกิดความวิตกกังวลแก่เรานี่เรียกว่าปุขระสปายะแล้วก็ธรรมะสปายะหมายถึงว่าธรรมะที่เราสมทานปฏิบัติเนี่ย มันรู้สึกว่าเราทำแล้วสบายนะไม่เกิดความหนักน่วงทวงทับไม่เกิดความวิปลิตผิดแปลกไม่เกิดมิจฉาทิฐิแต่ทาให้กุศลเติบโตขึ้นได้เร็วหมายถึงวิธีการปฏิบัติที่เราสมัครานปฏิบัตินะเหมาะแก่เจริญนิสัยเหมาะแก่ธาตุขันเหมาะแก่กาลังเหมาะแก่อินทรีย์ของเรานีก็เรียกว่าธรรมสปายะ <c oughs> ทีนี้เราสมทานเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นสัพเพะยะสำหรับเรา น, นนี้หมายถึงทั้งสาประการเนี่ยพึงพา น, นนบอกว่าคุณสมบัติสาประการที่ถ้าใครมีได้เนี่ยจะเป็นเครื่องหนึ่งของพรหมาจรรย์เลยทีเดียวพุทธพาณ น, นุ์ได้กลา่ า, นนนลาวพุทธยาพุทธยาอนุเ์เธ ย, ยพูดอย่างนั้นถ้าทั้งสาประการมันมีครบพร้อมจริงๆเนี่ยสกฤตเมวะมันเป็นทั้งหมดทั้งปวงของพรหมาจรรย์ เป็นเบื้องต้นทำการที่สุดของภพเมาจาันเลยทีเดียวทำมยจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าบุคคลไหนที่อาศัยทั้งสามเหตุสามประการนั้นนะจะทำให้อริมักมีองค์แปดให้เจริญได้อริยะมักคังพาเวตนะิแล้วก็เ้าก็เน้นแต่ ว, ว่าผู้ใด <c oughs> อาศัยเราเป็นกัลยะาณมิตรแล้วเนี่ยมีความเกิดแก่เจ็บ เป็นธรรมดาบุคค น, นั้นก็จะพ้นจากสามารถพ้นวความเกิดความแก่ความเจ็บได้แต่ในหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยพอพระยาที่ท่านกนมาโสกกับปริเทวะเลยนะไม่มีคำว่ามรณะแต่หนังสือบางเล่มเติมคำว่ามรณะเข้าไปด้วยบางทีมันก็ขัดกับความจริงถ้าผู้ใดาอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความตายเนี่ยมันผิดธรรมชาติทุกคนต้องตายแต่เราจะบอกว่า ตายโดยทางนมามธรรมดังนั้นก็ตัดคขาว่าตายถ้ามันกำกวมถ้าใช้คำว่ามารณะเข้ามาเนี่ยมันสามารถตายได้ทั้งรูปทั้งนามดังนั้นในสูตรที่ถูกต้องไม่มีคำว่ามารณะประมุติจันติและมีคำว่าโสกะปฏิเทวาทุกขโทมนาสานั่งประมุติจันติผู้ใดมีความโศก ค, ความลำเลียงลำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจเป็นธรรมดา บูค้คนนั้นก็จะพ้นจากสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นความตายทางนามธรรมหมายถึงความโศกเศ ร, ร้าหมายถึงความทุกข์นั่นคือความตายทางนามธรรมจะพ้นจากทุกข์อันเกิดจากความโศกเศร้าพิไรลังพันธรร์ตัวนี้เป็นทั้งชราพยาธิมรณะอยู่ในตัวนี้หมดท่านจึงสรุปเอาไว้เสมอไม่ว่าในาธรรมวัตเช้าหรือที่ไหนก็ตามเป็นสันวนที่คุ้นแม้แต่ในอนิสง์ของสติปัฏฐานสี่ ทุกขโทมนัสสานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงเสื่ซึ่งความสุขและความร่ำรวยน้ำพันธ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นความตายของนามธรรมแต่ความตายของรูปธรรมเนี่ยท่านถือว่ามั น, มนไม่ได้จะเป็นการตายเพราะมันมีการแตกดับอยู่ตลอดเวลามันมีการตายอยู่แล้วตลอดเวลานะแต่ว่าตัวการตายทางนามปธรรมหมถึงความทุกข์มันเกิดจากสิ่เนี้ เราสามารถจะพ้นได้เพราะว่าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมมีและจิตของเราก็จะไม่โศกเศร้าเพลียลําพัพนธ์ความขับแค้นความพัดทุกข์เพราะไม่ได้อย่างใจทุกข์เพราะพัดพลากทุกข์เพราะผสบในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกข์เพราะมีอุปทานในขันห้าก็จะไม่มีนะถ้าหากว่าอาศัยเราตรงนั้นเราไม่จะวงเล็บว่า ตถาคตอาศัยเราตถาคตเป็นแกนอนมิตรแล้วแต่อันนี้คนคูบาจารย์ชั้นหลังเนี่ยเพื่อให้ความสําคัญตรงนั้นแก่พุทธเจ้าแต่บางคนเกิดท้วงขึ้นมาว่าอ้าปัจจุบันที่พระตถาคตพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็อาศัยใครไม่ได้ดิมันก็จะเกิดการขัดแย้งตรงนั้นเพราะฉะนั้นอมังโรนี่หมายถึงตัวเรานี่แหละที่รู้จักทำพระตถ า, าคตอาศัยตัวเราที่รู้จักทำพระตถาคตเนี่ยจะพ้นจาก สิ่งเหล่านี้ได้เอออย่างนี้เมกเซนไม่ต้องวงเล็บคําวัาตถาคตังเข้ามามีแต่มังคําเดียวมาถึงตัวเราบุคคลผู้ใดถือถึงอาศัยเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่ตกเป็นธาตุทำความคิดของใครไม่ตกเป็นธาตทางอุดมการณ์ของใครไม่ตกเป็นทาตุทาง <c oughs> คําสอนของใครแต่อาศัยเราที่มันเกิดทำพระตถาคตนี เพราะว่าตถาคตมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นตถาคตะมันเป็นข้อมันอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอ้นี่จังทุกขังหน้าตาอาศัยการเข้าใจไตรรักไตรสิกขาถ้าจะว่าไปเป็นเราคือตัวนั้นคือสามารถเปลี่ยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไตรรักให้เป็นไตรสิกขาได้ลักษณะนั้นก็เรียกเป็นคำของพระตถาคตอันนั้นตรงนี้ก็เราก็าำมา วิจัยกั น, นว่าในสิ่งที่เราสวดเรานี้ไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่สวดพุ่นพ้นไปแต่เราต้องเข้าใจในความหมายด้วยเพราะนั้นสิ่งที่บทสวดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปเป็นประเด็นในการที่จะแสดงธรรมให้ให้ตรงกับคําสอนผู้ทีเจ้าได้แทนที่เราจะนําเรื่องสเปเฮรามาพูดซึ่งไม่ได้อิงอาศัยดังนั้นการทํากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยก็ให้เป็น อุปกรณ์ในการที่จะนําไปเป็นเครื่องมือในการใช้สอยด้วยไม่ใช่ว่ า, าเราสวดเราใช้ไปวันๆหนึ่งแต่ว่าเรานำไปใช้ไม่ได้เงี้ยมันก็มีคุณค่าน้อยเพราะฉะนั้นสวดแปลเนี่ยมันก็ทําให้เรานําไปใช้ได้เวลาแสดงธรรมไปเวลาเทศไปเราได้ยกพุทธพจ น, น์บทในบทหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวนำมันะมันก็สร้างความเชื่อมัน่นช่างหลักฐานาสนับสนุนที่ชัดเจนได้ อันนี้คือการประโยชน์ของการสวดมนต์ประจำวันทมให้เรานำบทเราเนี้ยไปเป็นอุปกรณ์ใช้สอยได้เมื่อเราบางทีเราแสดงธรรมหรือเราพูดขึ้นมาโดยให้มีหลักสนับสนุนหลักฐานลอยลอยเนี่ยคนที่เขาติดตำลาเขาเป็นคนเจ้าและเบียบแบบแผนมีหลักมีเกณฑ์เขาก็จะไม่มั่นใจ แต่พอเรายกขึ้นมาบทพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งเช่นเราพูดถึงว่าเอออย่าไปปล่อยใจไปเล่นล่องล่องลอยไปในอดีตในอนาคตนะจะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจธรรมที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลได้แล้วก็พูดไปได้แต่พอเรายกพุทธพจน์าอดีตตังนนวข้ามาัยยะนับปฏิกังเขนาคตังยะถาติตัมไัยนันตังอปัตัญจะอนาคตัง เข้ามาประกอบด้วยเออมันมีหลักฐานหนักแน่นไม่ใช่พูดไปลยอยลอยะอดีตก็ลัไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาโยตถตถาวิปัสสติอาสังหิลังอาั่งกุบังตังวิทามะนุภูหเยผู้ใดเห็นทำเข้าใจสิ่งที่เกิดเฉพาะหน้าในแต่ละขณะในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็พยายามกำหนดรู้จิตอยู่กับสิ่งนั้นอย่าง มันคงไม่ให้ก็อนเงียนคนแขน็งเขาพึงพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้เงี้ยมันก็ชัดเจนขึ้นในเมื่อ น, นำเอาพุทธพจน์มาสนับสนุนนะ่อันนี้คืออา น, นิสงส์งของการแปลสวดมนต์แปลแต่สวดมนต์แปลที่มาปรับใช้ทุกวันนี้ก็พยายามให้มันปรับให้มันสวดได้อะที่ปรับ ฉบับพี่แล้วมันมีอะไรเป็นติ่งเป็นต้อยห้อยมาอย่งบางแห่งไม่มีของเดิมไม่มีคําว่าดังนี้ก็ใส่ดังนี้เข้ามาก็ต้องไปแก้ออกเราอย่างคําว่าคาชันโดวาคาชามีติปัญชานาฏิภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเวลาผมฉบับเดิมว่าเมื่อเดินอยู่เขเพราะเราไม่จํากัดว่าเป็นภิกษุเท่านั้นพูดที่จะมารู้วนเนี่ยใครก็ได้ เพราะนั้นว่าเป็นกลางกลางเอาไว้เมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าชัดเม่ออยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ชัดไม่จําเป็นต้องใส่คำว่าภิกษุ ล, ลงไปอย่างเนี้ยเราก็ต้องไปเคลียร์ออกใหม่เพราะฉะนั้นส่นมนบุญเขาที่แล้วตรวจสอบแล้วก็หลายคนแอบเพิ่มนั้นเติมนี้เข้าไปเวลาสวดมันก็เลยไม่ค่อยสมูดเท่าไหร่นะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการสวดคือไม่จําเป็นจะต้องถูกเป๊ะตามพระบาลีทั้งหมดนั้นมันเป็นเขาเรียกพยัญชนะทําให้นําไปใช่ลำบาก เหมือนเราจะสร้างบ้าน้างหลังหนึ่งนําต้นไม้ทั้งต้นมาสร้างบ้านไม่ได้มันต้องมาลัดเลาะต่อแต่งกิ่งก้านสาขามันเหลือแต่เนื้อล้วนๆออกมาเอาแดดอัดทั้งมันนะให้มันสมมูิโดยลาสวดมันมีความไพเราะความลึกซึ้งและเข้าใจง่ายโดยที่ไม่ลุงลังเกินไปการสวดก็จะสมมูิกับไพเราะอันนี้ส่วนหนึ่งเหตุผลที่เราปรับแต่ละครั้งนะแล้วก็สูตรต่อมา เขาเรียกว่าสูตรเลยนะ